เนติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วหน้าหนึ่งร้สี่สบสองข้อแปดสิบหกทำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นธรรมที่นําออกจากโลกเนี่ยนะนิยานิกระทธรรมก็คือธรรมที่นําออกจากโลกทั้งสามธรรมที่นําออกจากโลกเนี่ยนะนำออกจากวตตะก็คือปฏิปทาสี่สติปทานสี่ฌานสี่วิหารธรรมสี่สัมมาปทานสี่ อัชฉริยภพูตรธรรมสีอธิฐานธรรมสีสมาธิภาวนาสีสขาภาคิยาธรรมสีและอัปปมามณธรรมสีธรรมะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะปฏิปทาที่หนึ่งเป็นสติปัฏฐานที่หนึ่งก็แสดงว่าทุกขาปฏิปฏาทาธันทาพิญญาก็เป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐาน ปฏิปทาที่สองคือทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปทานปฏิปทาที่สคือสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาก็เป็นสติปทานที่สคือจิตานุปัสนาสติปทานปฏิปทาที่สคือสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาพวนี้ก็เป็นสติปทานที่ที่ส คือธรรมานุปัสสนาสติปทานสติปทานที่1คือกายานุปัสสนาก็เป็นปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งสติปทานที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปทานก oui ็เป็นทุติยฌานเป็นฌานที่สองฌานที่สามสติปทานที่3คือจิตานุปัสสนาก็เป็นตติยฌาน ธรร ม, มานุปัสสนาคือสติปัฏฐานที่4ก็เป็นฌานที่4คือจตุทฌานปฐมฌานฌานที่1ก็เป็นวิหารธรรมที่1คือทิพะวิหารฌานที่สองก็เป็นวิหารธรรมที่สองคือพรหมวิหารฌานที่สก็เป็นวิหารธรรมที่สามคืออริยวิหารฌานที่4ก็เป็นวิหารธรรมที่4คืออาเนชาวิหาร สัมมประทานที่หนึ่งที่พระวิหารที่หนึ่งก็เป็นสัมมประทานที่หนึ่งคือสังวรประทานวิหารธรรมที่สองก็เป็นสัมมประทานที่สองคือปหาณประทานวิหารธรรมที่สามก็เป็นเป็นอะไรเป็นสัมมประทานที่สามคือภาวนาประทานวิหารธรรมที่สี่คืออนุรักษนาบ อนเนนชาวิหารก็คืออนุรักษณาประธานนั่นเองสมัครประธานที่หนึ่งคือสังวรประธานก็เป็นการละมานะเป็นอัจฉรยิยภูตธรรมที่หนึ่งคือการละมานะสมัครประธานที่สองคือปหาณประธานก็เป็นอัจฉรยิยภูตธรรมที่สองคืออะไรนะถอนอะไรใช่ สมัมมาประธานที่2ก็เป็นอัจฉริยภูตธรรมที่2คือความถอนอะไรหรือถอนตัณหาสมัมมาประธานที่สคือภาวนาประทานเป็นอัจฉริยภูตธรรมที่สคือการละอวิชชาสมัมมาประธานที่สคืออนุรักษณาประทานเป็นอัจฉริยภูตธรรมที่4คือความสงบประงับซึ่งพบ อัจฉริยภูตธรรมที่หนึ่งคือการละมานะเป็นอธิฐานธรรมที่หนึ่งคือสัจจอธิฐานอัจฉริยภูตธรรมที่สองคือการถอนอะไรเนี่ยเป็นอธิฐานธรรมที่สองคือจาคาธิฐานอัจฉริยภูตธรรมที่3คือการละมานะเป็นเป็นไงคือละอวิชานี่ไง เป็นปัญญาที่ฐานคืออัจฉริยภูตธรรมที่สอัจฉริยภูตธรรมที่สคือความสงบประงนภพบเป็นอธิฐานธรรมที่4คืออุปสมาธิฐานอธิฐานธรรมที่หนึ่งคือสัจจาธิฐานเป็นฉันทะสมาธิคือสมาธิภาวนาที่หนึ่งอธิฐานธรรมที่สองคือจารคาธิฐานเป็นสมาธิภาวนาที่สองคือวิริยะสมาธิ อธิฐานธรรมที่สคือปัญญาธิฐานนั้นก็เป็นสมาธิภาวนาที่สคือจิตตสมาธิอธิฐานธรรมที่สคืออุปสมธทฐานก็เป็นสมาธิภาวนาที่สหมายถึงวิมังสาสมาธิสมาธิภาวนาที่หนึ่งะก็เป็นสุขภ า, าคิยธรรมที่หนึ่งคืออินทร์สังวร สมาธิภาวนาที่สองก็เป็นสุขภาคยธรรมที่สองคือตบะสมาธิภาวนาที่สามเป็นสุขภาคยธรรมที่สามก็คือพุทธิหรือปัญญานี่ยนะสมาธิภาวนาที่สี่ก็คือสุภาสุขภาคิยธรรมที่สี่คืออุเบขานี่ยนะสัพพูปนิธิปฏินิสัขะเนี่ยนะอืม วิมังสาสมาธิเนี่ยนะก็เป็นอะไรนะเป็นสมาธิ เ, าเป็นสุขภ า, าคิยธรรมที่สี่คือสับภูปตินิสักะคือความสงบอัคอวาเรนนะความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงต่อไปว่าสุขภ า, าคิยธรรมที่หนึ่งที่หมายถึงอินทรีสังวรเป็นอัปปมัญญาที่หนึ่งคือเมตตา สุขภากคียธรรมที่สองที่เป็นตะบะเนี่ยนะเป็นอัปปมัญญาที่สองคือกรุณาสุขภากคียธรรมที่สเป็นอัปปมานะธรรมที่สคือพุทธิเนี่ยนะเป็นมุทิตาสัพพปตินิสคะคือสุขภากคียธรรมที่4ี่ก็เป็นอัปปม า, ะมามปนะอัปปมานะธรรมที่สี่สคืออุเบคา อันนี้ก็เป็นธรรมะทั้ง10บหัวข้อสิหัวข้อหัวข้อละสี่หัวข้อก็เป็นธรรมะสีธรรมะสีเหล่านี้เป็นธรรมะที่นําออกจากวัตะเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่นําออกจากวัตทุกขซึ่งถ้ากล่าวโดยอัถฐข่อยคําเหล่านี้นะนะอย่างที่สาธรรมที่หนึ่งคือทุกขาปฏิปาทาธรรมตาพิญญากาญานุปัสนาปฐมมชามทิ่พระวิหาร สังวรประธานการละมานะสัจจาทิ่ฐานฉันทะสมาธิอินทร์สังวรเมตตาพวกนี้ก็คือคืออะไรคืออัฏถะเหมือนกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นเองทุกขาปฏิปทาขิปปาพินยาเวทนานุปัสนาทุติยฌานพรหมิหารปหาณประธานถอนอะไรจากาทิฐานวิริยะสมาธิตบะและกรุณาก็ต่างกันแค่แค่อะไร ต่างการแค่พยัญชนะเหมือนการโดยอัฐะสุขาปฏิปาทาธรรมธาพิญญาจิตตาลุปรสนตะตติยะฌานอริยวิหารภาวนาปภาวนาประทานการละอวิชชาปัญญาธิฏฐานจิตตสมาธิพุทธิมุทิตาต่างการแค่พยัญชนะเหมือนการโดยอัฐะสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญา ธรร ม, มานุปัสสนาจตุธชฌานอเนเณชาววิหารอนุรักษณาประทานความสงบประงพอุปสมาธิฐานวิมังสาสมาธิสัพพูปฏิสัพพูปฏิปฏินิสักขะอุเบคาพวกนี้ก็คือธรรมะอย่างเดียวกันนั่นแหละต่างกันแค่ <Okay. S 1> พยัญชนะมาดูข้อความโดยลำดับว่าในหน้า4ี่่อว่าปฏิปทาที่หนึ่ง อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานที่หนึ่งให้บริบูรณ์อันแสดงว่าถ้าผู้ใดเจริญทุกขาปฏิปทามมากนะทุกขาปฏิปทานที่ทันทาพิญญาการตรัสรู้ช้าเนี่ยนะย่อมทำกายานุปัสนาสติปฐานให้บริบูรณ์ผู้ที่เจริญปฏิปทาที่สองคือทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเจริญทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานที่สองคือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ปฏิปทาที่สามคือสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำจิตานุปัสนาสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ปฏิปทาที่สี่คือสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญา อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานที่สี่ให้บริบูรณ์คือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนันข้อปฏิบัติที่ลําบากตรัสโรูช้าเนี่ยนะเป็นถ้าเจริญก็เป็นการเจริญเพื่อกายานุปัสนา่นั่นเองมาดูว่าสติปัฏฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําฌานที่หนึ่งให้บริบูรณ์ สติปฐานท assim, <nước> ี่สองอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําฌานที่สองให้บริบ <cafe S 1> ูรณ์สติปฐานที่สมอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําฌานที่สามให้บริบูรณ์สติปัฐานที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําฌานที่สี่ให้บริบูรณ์ฌานที่1อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิหารธรรมที่หนึ่งให้บริบูรณ์ ฌานที่สองอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิหารธรรมที่สองให้บริบูรณ์ฌานที่สอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิหารธรรมที่สามให้บริบูรณ์ฌานที่สี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิหารธรรมที่สให้บริบูรณ์วิหารธรรมที่หนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้ บริบูรณ์นั่นก็คือลักษณะของสังวรประธานนั่นเองวิหารธรรมที่สองอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความหายไปแห่งบาปอกุศลธรรม ท, ที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์วิหารธรรมที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้บริบูรณ์วิหารธรรมที่4อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความตั้งมั่น ไม่เลือนหายความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์สมัมมประานที่สมัมมาปรานที่ 1. อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยภูตรธรรม4ี่คือการละมานะให้บริบูรณ์สมัมมประธานที่สองอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยภูตรธรรมคือการถอนตันหาจนราบคาบให้บริบูรณ์ สัมมาประธานที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยภูตธรรมคือการละอวิชชาให้บร be ิบ kind of ูรณ์สัมมาประธานที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยภูตธรรมคือความสงบระงับพบให้บริบูรณ์อัจฉริยอัจฉริยะอภูตธรรมคือการละมานะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังสักดจากทิฏฐานให้บริบูรณ์ อัจฉริยะอัภูตธรรมคือการถอนตันหาจนสงบราบคาบอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังจากาธิฐานให้บริบูรณ์อัจฉริยะอภูตธรรมคือการละอวิชาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังปัญญาทิฐฐานให้บริบูรณ์อัจฉริยะภูตธรรมคือการสงบระงับภพอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังอุปสมาธิฐานคือ ที่ตั้งคือการสงบกิเลสให้บริบูรณ์สัจจาธิฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังฉันท่าสมาธิให้บริบูรณ์จากาที่ฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังวิ ร, ยริรญญรยดดะสมาธิให้บริบูรณ์ปัญญาที่ฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังจิตตะสมาธิให้บริบูรณ์ อุปสมาธทฐานอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิมังสาสมาธิให้บริบูรณ์ฉันทะสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังอินทรีสังวรให้บริบูรณ์วิริยะสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังตะบะให้บริบูรณ์จิตตสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังพุทธิให้บริบูรณ์ วิมังสาสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้ว ย, ออย่อมยังสัพพุปิปติปติในสักขะให้บริบูรณ์อินทรีย์สังวรอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังเมตตาให้บริบูรณ์ตบะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้ว ย, ออย่อมยังกรุณาให้บริบูรณ์พุทธิอันบุคคลเจริญแล้วท ja ําให้มากแล้วย่อมยังมุทิตาให้บริบูรณ์สัพพุปติ สัพพูปธิปฏินิสักขาอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอุเบกขาให้บริบูรณ์นั้นถ้าโดยที่ศาใช่ไหมดูว่าปฏิปทาที่หนึ่งก็คือปฏิปทาที่หนึ่งสติปทานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งวิหารธรรมที่หนึ่งสัมมาปทานที่หนึ่งอัจฉริยะอภูตธรรมที่หนึ่งสัจจะทิฐานฉันทสมาธิอินทรียสังวรเมตาก็เป็นที่ศาที่หนึ่ง ธรรมะเหล่านี้คือปฏิปทาที่2สติปทานที่สองฌานที่สองวิหารธรรมที่สองสัมมาปทานที่2อัจฉริยะอภูตธรรมที่2นะภาวาทิฏฐานวิริยสมาธิตบะกรุณาก็เป็นที่สาที่สองธรรมะเหล่านี้คือปฏิปทาที่3สติปทานที่สาฌานที่สวิหารธรรมที่สสัมมาปทานที่สอัจฉริยะอภูตธรรมที่ส ปัญญาที่ฐานจิตตสมาธิพุทธิมุทิตาก็เป็นทิสาธรรมที่สามธรรมะเหล่านี้คือปฏิปทาที่4สติปฐานที่สชฌานที่สวิหารธรรมที่4ี่สัมมรปทานที่4อัจฉริยะอภูตธรรมที่4อุปสมาทิฐานวิมังสาสมาธิสภูปิปตินิสขะอุเบขาเป็นท่สาที่สี่ ธรรมะทั้งสูตรทั้ง10บเหล่านี้นะถือปฏิปทาที่หนึ่งสติปาทนานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งวิหารธรรมที่หนึ่งสมัมมาปทานที่หนึ่งอัจฉริยะอภูตธรรมที่หนึ่งสัจจะทิฐานฉันทาสมาธิอินทรียสังวรเมตตามีอัตตเหมือนกันต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นธรรมะเหล่านี้เป็นเพศของบุคคลผู้เป็นราคะจริญอนันฮนี้ถ้าใครรู้ว่าตัวเองเป็นราคะจริตก็ เชิญทานยาสิบชุดนี่นะยาสิบชุดนี่สำรอกราคาไน้แน่ส่วนสูตรสิบเหล่านี้คือปฏิปทาที่สองสติปฐานที่สองฌานที่สองวิหารธรรมที่สองสั ม, มะปทานที่สองอัจฉริยะอภูตธรรมที่สองจากาทิฐานวิริยะสมาธิตบะกรุณานี่ก็มีอัถะเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้น นี่เป็นเภสัอยารักษาโรคของบุคคลผู้เป็นโทสะจริญนนะใครเครียดบ่อยๆหงุดหงิดง่ายก็ดูยาสิบชุดเหล่านี้ไปบริโภคแล้กินต้องกินให้มันครบชุดด้วยนะกินขาดๆกันเกินนี่ก็หายไม่ดีเท่าไหร่ส่วนสูตร10 ส, สูตรเหล่านี้คือปฏิปทาที่สสติปทานที่สชฌานที่สมวิหารธรรมที่สามสัมมาปทานที่สาม อัจฉริยะอภูตธรรมที่สามปัญญาที่ฐานจิตตสมาธิพุท ธ, ธิมุทิตามีอัดเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นนี้เป็นเพศัตว์ของบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตนนะนะก็แสดงว่าต้องฉีดสิบเข็มใช่ไหมเนี่ยฉีดสิบเข็มแล้วจึงจะหายแต่พอฟังว่าฉีดนี่ไม่อยากรักษาเลยนะทานก็ได้อะ สูตรสิบสูตรเหล่านี้คือปฏิปทาที่สี่สติปทานที่สี่ฌานที่สี่วิหารธรรมที่สี่สัมมาปทานที่สี่อัจฉรยิยะอภูตรธรรมที่สี่อุปสมธทฐานวิมังสาสมาธิสัพพูปิปตินิสัขะโอเบขาอันนี้มีอัดเหมือนกันต่างกันแต่เพียงพยัญชนะเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเพศัตร์ของบุคคลผู้เป็นที่ถิจจริตอย่างสูงเนี่ยมาดูลองดู ในหน้า43 143ทวนอีกครั้งหนึ่งนับลงบรรทัดที่7ที่ว่าปฏิปทาที่หนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังสติปฐานที่หนึ่งให้บริบูรณ์เนี่ยนะก็แสดงว่าผู้ที่เจริญกายานุปัสนาสติปฐานโดยมากก็เป็นประเภททุกขานุปัสนาเจริญลำบากก็ลำบากหรือไม่ลำบากก็พิจารณาดูนะว่า พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าพิจารณาลำบากเหมือนกันลำบากตรงไหนก็คนราค่าจริตอยู่แล้วใช่ไหมให้มาดูของที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยแมมันฝืนความรู้สึกมากพันก็พวกนี้ก็ปฏิบัติ ด, ด้วยอำนาจทุกขานุปัสนาเนี่ยทำไปก็ทำก็ลำบากส่วน ท่านบอกว่าปฏิปทาที่สองอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปัฏฐานที่สองให้บริบูรณ์พวกเจริญเวทนานุปัสนาเนี่ยนะโดยมากก็เป็นทุกข์ขาปฏิปทาก็คือตอนที่ปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติลําบากแต่ก็สามารถตรัสรู้ได้เร็วพวกเจริญเวทนานุปัสนานั้นเบื้องต้นเจริญลําบากปฏิบัติลําบากแต่ตรัสรู้ไม่ยากนะตรัสรู้ได้อย่างฉับพลัน ส่วนปฏิปทาที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําสติปฐานที่สมให้บริบูรณ์พวกที่เจริญจิตตานุปัสสนาผู้นี้ก็เป็นสุขาปฏิปทาแต่ก็ถือว่าตรัสรูช้ช้านะเนี่ยการเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นพวกอะไรนิธิจริตใช่ไหมพวกนิฐิจริตนั้นปฏิบัตนินิสบายปฏิบัติไม่ทุกสบายิบัติไม่ลําบากแต่ก็ ถ้าปัญญาน้อยปัญญาอ่อนก็ตรัสรูช้ช้าส่วนปฏิปทาที่สี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังย่อมทำสติปัฏฐานที่สี่ให้บริบูรณ์ก็คือปฏิบัติอยู่ในสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาพวกนี้ก็เจริญไรายย่เจริญธรรมานุปัสนาบุคคลผู้เจริญธรรมานุปัสนาโดยมากก็ปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วนน เพราะอไรเพราะว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแก่กล้าผู้มีทิฐิจริษที่มีปัญญาอย่างสูงสติปฐานที่หนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังชานที่หนึ่งให้บริบูรณ์เพราะว่าการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นถ้าพิจารณาโดยปฏิกูลเนี่ยจะได้ปฐมฌานนะมันถ้าพิจารณาผมขนเล็บพิจารณาภูตรูปและอุปาทายรูป พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยวความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นพวกนี้ก็ทําฌานที่หนึ่งให้บริบูรณ์สติปัฐานที่สองคือเวทานานุปัสนาสติปฐานอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําฌานที่สองให้บริบูรณ์เพราะฌานที่สองนี่ประกอบด้วย อ, อะไรปิติสุกเอกะขะตาเนี่ยนะผ่านผู้ที่เจริญเวทานาที่แต่เข้าไปเจริญฌานที่สองเจริญเวทานานุปัสนาเนี่ยนะ ผู้ที่เจริญได้ดีก็นั่นแหละต้องมีปีติมีความสุขและมีเอกค ะ, ะตาอาศัยฌานที่2เป็นบาตรในการเจริญกรรมาฐานสติปัฏฐานที่3อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทำฌานที่สให้บริบูรณ์นะผู้ที่เจริญจิตตานุปัสสนามากๆก็สามารถที่จะได้ฌานที่สนะถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาจริงๆก็ต้องได้ฌานที่สคือตติยฌาน สติปฐานที่สี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำฌานที่สีให้บริบูรณ์คือถ้าเจริญทรมนุปัสสนามากาเจริญให้มากทำให้มากก็ย่อมยังจตุทัชฌานคือฌานที่สีให้บริบูรณ์ได้า <c oughs> การเรียบเรียงลักษณะนี้เรียบเรียงด้วยอานาจเทสนาวิราชด้วยอย่างหนึ่งแต่ก็เน้นทั้งโดยการปฏิบัติและโดย เทสนาวิราเทสนาวิราชแปล ว, ว่าความงดงามแห่งเทสนาเนี่ยนะเป็นการเรียบเรียงเพื่อความงดงามแห่งเทสนาด้วยเป็นนยาที่สามารถเอาไปพิจารณาเอาไปคข้ครวนเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงได้ด้วยต่อไปว่าฌานที่หนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทาวิหารธรรมที่หนึ่งคือทิพวิหารให้บริบูรณ์ ทิพภวิหารเนี่ยเป็นชื่อของฌานฌานทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะรูปฌานเนี่ยรูปประฌานทั้งหมดเรียกว่าทิพภวิหารเครื่องอยู่อย่างทิพทิพคือพรมพรมพ ร, ม, พรมชั้นกามาวจรนี้เรียกว่าทิพเพราะฉะนั้นใครที่เจริญฌานที่หนึ่งได้ดีก็พัฒนาฌานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปก็สามารถที่จะทําทิพภวิหารก็เรียกว่าเครื่องอยู่เป็นทิพคือแบบเทวดานะเทวดาชั้นรูปาวจรให้บริบูรณ์ได้ ฌานที่สองอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิหารธรรมที่สองให้บริบูรณ์อันใครที่เน้นทุติยะฌานทําทุติยะฌานให้เจริญได้เนี่ย น, นะพรหมมิหารสีอ่าพรหมวิหารก็จะบริบูรณ์เห็นไหมอั น, น, นเจริญฌานที่สองอันแสดงว่าฌานที่สองนั้นเป็นไปกับพรหมวิหารซะส่วนใหญ่ฌานที่สอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมทําวิหารธรรมที่สให้ บริบูรณ์คืออริยวิหารเพราะอะไรเพราะว่าตัติยะฌานเนี่ยนะพระอริยเจ้าท่านสรรเสริญว่าผู้ที่ได้ฌานนี้มีสติอยู่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าเกียรติกล่าวกันปีติออกไปท่านพระอริยสรรเสริญว่าผู้ที่ได้ตัติยะฌานเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสติและอยู่เป็นสุขเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยปีติวังนั้นนะท่านพระอริยสรนเสริญ ม, มากท่านตติยะฌานถ้าใครเจริญแล้วทําให้มากแล้ว ก็เป็นเหตุให้ได้อริยวิหารส่วนฌานที่สีจ่จตุทัชฌานอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิหารธรรมที่สี่ให้บริบูรณ์คืออาเนนชาวิหารอาเนนชาก็คือความตั้งมั่นทั้งฌานทั้งหลายระดับจตุทัชฌานขึ้นไปเรียกว่าอาเนชะแปลว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยนะฌานที่มีความดำรงมั่นไม่หวั่นไหวนั่นเอง อัญชานที่สี่เนี่ยน้อมไปเพื่อความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างที่เราเคยฟังว่าเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะเมื่อจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันนี้ลักษณะของอเนชะสมาธินี่ก็จะเป็นอย่างนั้น น, นะ ถ, ถึงตั้งมั่นแต่ก็อ่อนนะไม่ใช่แข็งกระด้างอะไรวิหารธรรมที่หนึ่งคือทิพวิหาร อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความไม่เกิดแห่งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้บริบูรณ์นั้นใครที่อยู่ด้วยที่พระวิหารอยู่ด้วยฌานพวกนี้เนี่ยนะจะมีสังวรจะมีความภาคเพียรระมัดระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ยอมให้เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทําเพื่อไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเพื่อให้อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ยอมให้บาปอากุศลเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ ส่วนวิหารธรรมที่สองคือพรหมวิหารอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังความหายไปแห่งอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์เพราะว่าผู้ที่อยู่ด้วยพรหมวิหารสามารถจะกําจัดอกุศลวิตกเพราะประหารนประทานเนี่ยนะประหานประทานภารกิจอันหนึ่งของเขาก็คือการกําจัดอกุศลแวิตตกทั้งหลายคําว่าประหานประทานอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วคืออะไรคืออกุศลวิตตก ันผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารก็จะสามารถกำจัดอกุศลวิตกต่างๆออกไปได้โดยเฉพาะวิหิงสาอภยบาทวิตกกับวิหิงสาวิตกเนี่ยนะผู้ที่ดำรงอยู่ในพรหมวิหารก็กำจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นออกไปได้วิหารธรรมที่สามคืออริยวิหารอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให บริบูรณ์ก็เป็นภาวนาประทานนั้นกุศลเหล่าใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะก็ตั้งอะนะคือหมายถึว่ากุศลเนี่ยมีแต่พอกพูนเป็นเป็นกุศลประเภทอะไรวิเศษสภาคยะมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะมาแล้วขณะเดียวกันกุศลที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นส่วนวิหารธรรมที่สี่คืออเนนช้าวิหารยังอะไร อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย, ออย่อมยังความตั้งมั่นความไม่เลือนหายความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์เรียกว่าเป็นการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปสมมประานที่หนึ่งคือสมมประทานที่หนึ่งคืออะไร คือยังยังความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดให้บริบูรณ์เนี่ยนะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยภูตธรรมคือการละมานะให้บริบูรณ์เพราะนั้นแสดงว่าการระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดเนี่ยนะการละมานะก็มีได้นะการละมานะมีได้เพราะการระแวดระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นการระวังไม่ยอมให้บาปอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นการ ละมานะการละมานะเรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมอัจฉริยะแปลว่าน่าอัศจรรย์อภูตธรรมนี่ไม่เคยมีมาเพราะั้นการที่เราสามารถเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นนั้นสามารถเจริญสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือมานะไม่เกิดขึ้นได้สัมประทานที่สองคืออะไรคือปหาหนาประทานเนี่ยนะ อันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยะอภูตรธรรมคือการถอนตันหาจนราบคาบให้บริบูรณ์มันถ้าหากว่าผู้ที่ระวังรักษามไม่ให้จิตเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลไม่ปล่อยให้อกุศลวิตกครอบงาท่วมทับก็สามารถถอนตันหาได้ไม่ยากเนี่ยนะสามารถที่จะถอนตันหาให้ได้สมมประธานที่สมสมมประธานที่ส า, ส า, สาคืออะไร ภาวนาประธานเนี่ยนะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยะอับปูตรธรรมคือการละอวิชาให้บริบูรณ์ได้เพราะผู้ที่เจริญภาวนานะทำกุศลให้เกิดขึ้นพอกพูนยิ่งขึ้นพัฒนายิ่งขึ้นกําจัดอวิชาได้อย่างเด็ดขาดส ม, มประทานที่สี่คืออนุรักษนาประธานเนี่ยนะอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมยังอัจฉริยะอับปูตรธรรม คือความสงบระงับภพบให้บริบูรณ์มันผู้ที่พอกพูนเพิ่มพูนตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่มกุศลใหม่ๆให้มันยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็ดับภพบได้อย่างแท้จริงสงบระงับภพบได้อย่างแท้จริง mm hmm. การที่ละมานะได้เนี่ยก็ เ, เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาการละการถอนอาลัยการถอนตัณหาเนี่ยนะ ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และไม่เคยมีมาการละเอเ่อการละอวิชช า, าการเจริญภาวนาประทานเนี่ยนะการเจริญภาวนาประทานเนี่ยก็เป็นการเจริญอัจฉริยะน่าอัศจรรย์อภูตะไม่เคยมีมาคือการละอวิชชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะ ผ, นผู้ที่เจริญอนุรักษณาประทานเจริญได้มากเจริญอย่างเพียบพร้อมและบริบูรณ์ ก็จะได้สิ่งที่น่าอัศจรรย์สิ่งที่ไม่เคยมีมาคือการสงบประงับดับภพบได้โดยประการทั้งปวงแสดงว่าการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้จะต้องได้รับสิ่งที่น่าอัศจรรย์ตั้งหลายอย่างด้วยกันใช่ไหมจะต้องมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาในชีวิตแล้วก็มามีมาขึ้นบางคนก็บอกโอ้ไม่ไม่คิดเลยว่าจะละมานะได้ขนาดนี้ว่า ง, งั้น ไม่คิดเลยว่าจะละมานะได้บางคนบอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะถอนอะไรเพิกถอนตัณหาได้อย่างนี้บอกไม่น่าเชื่อเลยน่าอัศจ ร, ริงๆที่สามารถละอวิชาได้บางคนก็บอกโอ้ยน่าอัศจ ร, ริงๆว่าสามารถสงบระ ง, งับดับภพบได้โดยประการทั้งปวงสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมที่น่าอัศจ ร, รย์นะนะ